วันนี้เป็นวันปฏิโมกม์งวานเป็นวันพระนับสิบสี่ถ้ำเดือนเก้าตรงกับวันที่สามสิบสิงหาห้าหนึ่งแต่วันอุโบสถของพวกเราตกวันที่สามสิเอ็ดวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดตรงกับวันอาทิตย์สิงหาห้าหนึ่งวัดหลวงปู่จามท่านกลงแต่มื่าเ น, นี่นถึงสิบ สีคำเกินดับท่านก็ลงเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะแปล ก, กววาพวกเราอีกส่วนหนึ่งก็คือบุพกิจท่านจะไม่สวดท่านจะสวด น, นโมตัสสะพระคาวาตัวแล้วก็ชุนาตุเมพันเตสังโคไปเลยเป็นยังไงได้ไหมก็ได้ไม่ผิดไม่ผิดพระวิาไงพอทั้งฝ่ายตณะสงฆ์ของเรายังธรรม ย, ยุทธ์ยชมฤทธิ์มหาธรรมณะเจ้าท่าน ก่อนที่จะสวดพระปฏิโมกข์นะท่านก็บอกว่าพวกเราได้เตรียมพร้อมเตรียม น, น้ำเตรียมอาสนะพระสงฆ์พร้อมหรือยังพระสงฆ์มีครบหรืยังพระสงฆ์มีเท่าไรปักนี้เป็นปักที่เท่าไหร่ปักเดือนไหนมันฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนถ้าเราฟังในคำแปลบุพกิจเรจะถามกลักษณะอย่างนี้ ผู้จามท่านว่าก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะเป็นผู้ใหญ่เดวกันแล้วไม่ศึกษาเรื่องนี้จะศึกษาเรื่องอะไรไม่ต้องตรวจก็ได้หรอกเป็นที่รู้กันแล้วนะอันนี้ก็คือหลวงผู้จามท่าก็ให้รตรวจปฏิโมกไปเลยนำโมตฉาพเข้าววโตและวก็ชุนาตุเมปันเตสังโคกปเลยน่งอันนี้ก็พูดเป็นภาษาไทยวันนั้นแต่ไม่กลม่เท่าไรกระนับกัน นะครอุปศนี้เท่าไหร่มา น, นี้เป็นปักที่เท่าไหร่มาเ น, นี่ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะอันนี้ตาว่าชวดเป็นภาษาบาลีพวกเราคงไม่รู้จักรวจีอย่างเก่าแต่อุปกิกตแต่ก็ทําความเข้าใจกันเอาไว้ว่านี่คือบุปภิกติอุปภิกินก็คืออะไรคือการนับเลขกูนแล้วก็จํานวนเวิขศูน สถานที่ลงโบสดของเราเพรา้อมในย่างปูอันสนในยังอย่างนี้เป็นต้นนะให้พวกเราให้ศึกษาอกปกิจแต่ทีนี้การลงโบสดเนี่ยลงโบสดทุกสิบห้าวันท่านก็บอกว่ามันถึงสิห้าวันแล้วก็ลงแต่ในพวกเราลงเนะงคือทางมหามกุวัดมบท่านกาหนดออกมาว่าวันแม้เป็นวันเดือนับชนิด เมื่อวานยังไม่ยังไม่ดับชนิดวันยังโผล่อยู่ตามจันทรคติที่ท่านคําวณดูการวงจรของพาทิตย์วงจรการเดินออที่มันวงจรรอบโลกของพระจันทร์วันนี้เป็นวันที่ดับชนิดเมื่อวานยังไม่ดับพระจันทร์ยังไม่รับจริงเขาไดเอาวันนี้แต่ว่าทางหลวงปูจาม ทั้งขนาด ก, กลุ่มนั่นเอาออกยังไงมันก็สิพ้าวันอย่แล้เอาเลยเพื่อให้จำไา้อาจารย์ก็ลงอุโบสถแต่เมื่อวานนี้แต่พวกเรามาลงอุโบสถวันนี้ผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะสิบห้าวันต้องลงอุโบสถแต่ถ้าไม่ลงอุโบสถ น, นะนัผิดนะผิดก็วิดไยเผิดสุถ้ามีครบผ้าสงครบสี่อง์แล้วไม่ลงอุโบสถกรับาปฏิบัติทุกกฎ ไม่มีการสวยพระปฏิโมกถ้าหากว่วยไม่ได้ให้ไปเรียนไปเรียนมาสวดต้องไปศึกษานอก่างน้ก็ให้ยกกลุ่มขเราไปลงโบสถ์ร่วมครับโบสถ์วัดอื่นให้ได้ฟังพระปฏิโมกข์ใจดุริยที่ไม่ลงโบสถไม่สวดพระปฏิโมกข์ไม่ได้ข้าประทุกกฎมีปินัยอีกบอกเลแต่สามองลงมาสวจิตถ้าสององค์ลงมา บอกปริสุทธิองค์เดียวกมบอกปริสุดที่เหมือนกันตั้งแต่ศีลกันไปต้องสวดพระปฏิโมยอันนี้ศีลพระวินยัยพระวินัยพวกเราจะมองข้ามไม่ได้เลยที่ผมพูดบานบานมังก่นนะนะให้พวกเราศึกษานะพระวินัยนะยิ่งผู้ที่จะบวชระยายาวระยานานพระวินัยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญมากถ้าวันล่วงเกินพระวินัยที่เป็นพระผู้เท่าแล้วไม่เคารพพระวินยัย ไม่ได้ศึกษาเรื่องพระวินัยไม่รู้เรื่องพระวินัยเป็นที่ตระหนักของพระหนุมพระน้อยเขานะแเพราะนั้นเรื่องพระวินัยให้พวกเราศึกษาแต่ให้พวกเราศึกษาให้พวกเราพ้นปฏิบัติตามพระวินัยที่พกะพุทธเจ้าบัญญัตไว้สิลของพระที่สวดลงมือเทียนก็คือสิ่งพระปฏิโมกข์สองยเจ็ดข้อที่พวกเราสวดเพื่อเป็นการทบทวน จะทบทวนสิบห้าวันทบทวนครั้งหนึ่งเพื่อม่ให้หลเลิมนั่นเองแต่พวกเราไม่รู้ภาษาบาลีเลยแต่เมื่อไม่รู้เราก็ต้องจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้านั่นคืออะไรให้เราอ่านแห่ออกนั่นเองที่ท่านใน้่บทวนทพระพฏิโมกข์สิบห้าวันนันคืออะไรต้องทบทวนแต่าโดยทบทวนศีลแต่เมื่อเราไม่รู้เลยในสวดปฏิโมกขไปจบแล้วเราก็ไม่รู้ได้เมื่อเราไม่รู้เนี่ยเราจะเพียงแต่ว่าไม่รู้อย่างเดียวไม่ได้ เราต้องไปอ่านให้รู้ว่าสิงสองยี่สบเจ็ดที่ทบทวนทุกสิบห้าวันนั้นมีความหมายว่าอย่างไรเราต้องศึกษาตั้งแต่รรชิคคำบทอรชิสี่มีความหมายว่าอยงง่างไรส่างคาที่เศษชิคสมีความหมายว่าอย่างไร อ, อนุญาสองมีความหมายว่าอย่างไรนิจศีลปาจิตตีสามสิบมีความหมายว่าอย่างไงต่ิตีเก้าสิบสองิ 92, บทมีความหมายว่าอย่างไรปฏิเทศริยะ สี่สิกขาบทนั้นมีความหมายว่าอย่างไรเศกีวัดเกตุภามีความหมายว่าอย่างไรปฏิเทสนิยมสี่มีความหมายว่าอย่างไรอันนี้คณะสมมติฐนเจดข้อนั้นมีความหมายว่าอย่างไรอันนี้คือให้เราศึกษาอีกทีหนึง่งแต่ว่าพวกเราไม่ศึกษาพวกเราจะเฉยๆมเมื่อไหร่ถลึงแตกไปเลื่อยๆผลที่สุดไม่รู้กระทั่งสินของตนเองว่าตัวเองมีศินสองร้อยหกเจ็ด่แท่ สิ่งสองร้อยขีดยี่สิบ็ดคนนั้นคืออะไรไม่ได้ศึกษาเลยอันนี้มันขาดตกวปะกอบมาอยากจะให้มีพวกเพื่อศึกษาในเรื่งสิ่งมองข้ามไม่ได้แต่ต้องอ่านต้องศึกษาอย่างเมื่ออาอ่านนวโกว่าทให้รู้จักวิทย์ใเป็นพื้นฐานเอาไว้แห้พวกเราจะได้รู้จะได้ศึกษาจะได้รู้จักวิธีการว่าอาบวบเป็นอย่างไงวิธีต้องอวัั้บเป็นอย่างไงเมื่อต้องอวับแล้วปฏิบัติตนอย่างไร มันเป็นเรื่องทวินัยอันนี้เป็นเรื่องของตายตัวแล้เป็นเรื่องของรู้ๆอย่จจากลับคือแล้วเพราะมันเป็นกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์เราอ่านเมื่อไรเราก็เข้าใจเมื่อ น, นั้นทําให้เข้าใจเราก็ถามนะครูบาอาจารย์ศึกษาให้ถามศึกษาให้ถามผมก็ได้ผมก็ยินดีแต่ถึงอย่างไรก็จะผมยินดีที่จะอธิบายให้ฟังเรื่องทวินัยผมไม่ได้มองข้ามเลยนะ เน่นแต่เป็นเลินเป็นพระมาพระหลวงมากระทั่ทุกวันนี้ผมก็ื่อผมก็ ย, ยังยกขึ้นมาอ่านมาศึกษาอยู่เรื่องพผู้ใดไม่ไม่ใช่ของต้องตัดส่วนมาอยู่เสมอเหมือกับกฎหมายและการยานั้น่ะนเราจำไปช้าใจเราไปลืมซะมันผิดกฎหมายไปมันก็ไม่ดีนะดีชาวโรกของเขาที่ผู้ที่เขาศึกษากฎหมายเขาก็ต้องเรียนรู้เรื่องกฎหมาย ถ้าเราเป็นพระสินสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อของเราเหมือนกันเราก็ควรจะศึกษาเหมือนกันควรจะอ่านนะควรจะมองข้ามสิ่งนี้เมื่อเราศึกษาดีแล้วสิ่งของเราบริสุทธ์ดีแล้วเราก็อุ่ใจเพราะเราไม่มีความผิดอะไรจากนั้นเราก็พยายามทำตามพุทธานุญาตพรพุทธเจ้าอนุญาตพระพุทธเจ้ า, า, จาห้ามสิ่งไหนที่พุทธห้ามเราก็ไม่ทา สิ่งในพระุธเจ้าอนุญาตเราก็ทำสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้ทั้งสองเมื่อนท่านดีท่านชั่วสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำสิ่งที่ควรทำพระองค์ก็แนะนำมากมายสิ่งที่ไม่ควรทำพระองค์ก็ได้ห้ามาไว้อันนี้สิ่งที่ไม่ควรทำยังมีตามคนหนึ่งเขาไปถามพระพุทธเจ้า ไปถามตอนบ่ายกับหมู่เพื่อนไปถามเอเราได้ยินแต่สมณะโคดมรู้แต่สิ่งที่สิ่งที่ดีสิ่งที่ควรทำแต่สิ่งที่หายันต์สมาะโคุมไม่ค่อยพูดมีั้ยสิ่งที่หายันะ์สมณะโคดมรู้หรือเปล่าดื้รู้รู้แต่สิ่งที่ดีดีสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำน่ะถ้าสมาะโคดมจะรู้หรือเปล่า เขาไปถามถามกูสิจะได้พรามกลุ่มนั่นก็เข้าไปถามกลุ่มร็คงจะเป็นกลุ่มนักเตกนักเลงนั่นแหละโป๊ะเล่ักการ์มันนั่นการพนั้นพระองค์ก็ตอบคนใดนะผมท่านเราเข้าไปถามท่านสมณะโคดมพระเจ้าพวกข้าพระองค์ได้ยินแต่ท่านสอนสิ่งที่ทําความดีสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ดีเพระพระองค์คงจะรู้แต่สิ่งที่ดีใช่ไหมการเป็นอยู่การของชีวิต สิ่งที่หายจะนทิ้งที่เป็นความชั่วไม่เห็นขั้นใดสอนเท่าไหร่ท่านรู้บ้างไหมที่อันไหนที่จะเป็นความชัว่วผมก็บอกว่ารู้ท่านใจฟังแล้วเราจะบอกให้ฟังก่านบอกว่าให้ปฏิบัติดูนะใ ห, ให้ปฏิบัติดูอย่างที่เราบอกมันจะเป็นทางจิตหายจิบหายไหมทางจิบหายอันดับแรกอันดับหนึ่งให้นอนตื่นสายให้นอนตื่นสาย ไม่กระตือหรือลดในการทํางานให้นอนตื่นสายข้อที่สองให้ไปยุ่งเหยิงกับพัญญาของคนอื่นเขาเป็นหละทางเิ็บพายอันที่สามก็ดื่มน้ำเมาอันที่สีก่กเที่ยวกางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นการพนันพบคนชั่วเป็นมิตรเพลยดการทําทการงานนี่แหละให้พามไปปฏิบัติดูนะ่ะอันนี้แหละเป็นหลทางแห่งความเิ็บพายเป็นหนทางแห่งความาเิ็บพ า, า, ายนะที่เราโทษ ตามตอ น, นั้นก็พอจะยินไปยกเงินท่วมหัวเลยโอ้ทีพระพุทอง์พูดมานี่ถึงจะไม่ได้ปฏิบัติตามข้าพระองค์ไปยอมรับแล้วว่าเป็นหนทางแห่งความฉิบหายจริงๆเลยนะนอนตื่นสายไม่กระตือรือร้นรในการทํางาน น, นอนตื่นขึ้นมาลมเลยงูเงี้ยงงูเนี่ยไม่รู้จักอะไรนอันนี้กันนะเป็นหนทางแห่งความคิบหายอันดับหนึ่งแอันดับที่สองก็ไปยุ่งเยินกับปัญญาลูกของ คนยาของคนอื่นเขานี่แหละอันหนึ่งก่อนปิดตกกังวลจิตใจไม่อยู่ประเนื้อประตัวนี่ถืเป็นหนทางแห่งความจิบหายอีกอันหนึ่งเหมือนกันจากนั้ น, นคนดื่มน้ำเมาคนดื่มน้ำเมาเมาทั้งวันทั้งคืนจะมองเห็นอะไรออกมีที่การที่จะเลี้ยงชีวิตของตัวเองที่จะดำเนินชีวิตของตันเองเพราะมันเมานี่แหละพบ ก, กินยาบายามาขันชา่ายาฝิ่นประเภทน้ำเมาทั้งหลายแหละ ดาทั้งหลายแหล่ที่ทําให้สมองของเราผิดปกติจากประเภทของมึนเมาทั้งหมดเน่ของมึนเมานะ่ยนเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางคืนกันั่นแหละมันไปอะไรบางกลางคืนมันมีหลายอย่างแล้วก็เที่ยวดูการเล่นก็เหมือนกันแต่เล่นการพนันชัดเจนอยู่แล้วคบคนชั่วเป็นเม็ตรก็เหมือนกันคบคนใดก็เป็นเช่นคนนั้นแหละถ้าคบบันทิดนับปราพบ ผู้ใฝในการศึกษาก็จะต้องตังต้งตะกุกตั้งใจในการศึกษาถ้าพบนักเรียนสุราอีกสักวันหนึ่งเราก็เป็นนักเรียนสุราถ้านักเรียนกันพนันโกงเขาชึงหน้าอีกสักวันนึงเราก็เป็นนักเรียนโกงเขาทั้งโกงเขาจอกหลังโกงเขาชึงหน้าเพราะเราได้เพื่อนที่ไม่ดีถ้าเราเป็นนักเรียนหัวไม้ปนฉดมรับขโมยแล้วก็เป็นอย่างเขาอีก เพราะนั้นพรทเจ้ท่านจิงบอกก่าวไว้ว่าถ้าพบคนใดจะเป็นเช่นคนนั้นแหละคบคนใดจะเป็นเช่นคนนั้นแหละเพราะนั้นท่านให้เลือกพบอันนี้คือพบคนชั่วเป็นมิจเกียตทามเกียดติครั้งทำการงานอันนี้พวกเราก็รู้อยคนเกียรติครั้งเป็นยังไงแต่เดี๋ยวก็อ้างว่าฝนตกเดี๋ยวก็อ้างว่าแดดออกเย็นเดี๋ยวก็ว่านาวเดี๋ยวก็วาร้อน เดี๋ยวพอสว่างเงีมืดส ว, ว่างกวนค่อยไปบางทีบอกผมมือดอยู่ยังไม่ไปไม่ได้เดี๋ยวพอร้อนเงีเดี๋ยวกพอหิวกันไปยังไม่ได้จริงสะก่อนเดี๋ยวเราขายหิวน้ำไปไม่ได้มันมีแต่เรื่องอ่างทั้งหมดจะให้สมบูรณ์ทุกอย่างซะก่อนเราจึงค่อยไปทําการทํางานมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเราต้องหมั่นขยันในการทําการทํางานอย่าไปอ่านอย่าไปอ่างนี้จนเกินไป เห็นเวลาปวดนี่ติดไปลอยต่อเนี่ยะขีดเกีนั่ภาวนาเพรเหตุอะไรเพราะมันปวดนะแต่ที่จริงเวลาทำอันไหนถ้าตัวเองชอบเลยนั่งทยู่ทั้งวันนั่งขัดธรรมะอยู่ทั้งวันเกเจ็บปวดขนาดใจก็สู้มาเต็มเครื่องเราดันมันเป็นเรื่องหายได้นะเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องทั้งนั้นที่ตัวเองสู้แต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์แต่ตัวเองจะไม่เอาพกตัวจริงมันมันไม่ยอมให้ทําสิ่งเหล่านี้พวกเราตรงนี้ ดูนะเนี่ยทัานพูให้แกบพราหม์คนนั้นฟังพรามคนนั้นคอยยกมือทุ่มมือแต่ขนาดท่าน ไ, ได้ปฏิบัติไปฟังตูวได้ก็ยอมรับแล้วว่าที่ปกติกาบอกตัด่อกมาเนี่ยเป็นเรื่องแห่งเป็นทางแห่งความขิดผายจริงๆนะแต่ผูดตรงไปถามาามาทำอาชีพอะไรทาอะไรผมก็เล่นการการพนันเป็นไงชนะไหมพราม์ก็บอกชนะบางแพ้บางพระเจ้าขา่าว การพนันจะเป็นชนะอย่างเดียวก็ไม่ได้จะแพ้อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะพุทธองค์บอกว่าทมการชนะอะไรก็ตามจะเป็นชนะการพนันก็ตามจะชนะค่าศึกสงครามก็ตามถ้าชนะค่าศึกสงครามพันพันครั้งคูนก็พันคูนก็พันก็เป็นล้านอะไรชนะถึงล้านครั้งก็สู้ชนะตัวเองไม่ได้การชนะตัวเองเนี่ยะ ชนะกิเลสภายในใจใ จ, ใจตัวเองในเด็ดขาดชนะความโลภความโกรธความหลงราคาโทสาโมหะชนะได้เด็ดขาดคนนั้นจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัาต่างสงสารเป็นนานนันตรการแตว่าเป็นผู้ชนะโดยเด็ดขาดแต่ถ้าว่าพาทม์ยังไม่ชนะจึงจะชนะฝ่ายนอกนั้นถึงร้อยครั้งถึงลานครั้ ง, ง, งก็ยังไม่เป็นอันชนะอีกสักวันหนึ่งไทม์มันจะแพ้เขาก็นด้ เพาะไม่ชนะแต่สนาภายในใจของตงัวเอง น, นั้นชนะอย่างเด็ดขาดเนี่ยนี่ก็ะพุทธเจท่านสอนสอนคูคนฟังพิจารณาดูแล้วถูกต้องและอีกอย่างนึ่งท่านก็พูดเลยว่าคําพูดไปขอตามถ้าพูดไปแล้วผู้ที่ฟังนั้นเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามแลได้ผลได้สาเร็จมรกสําเร็จผลคําพูดนั้นถึงจะเป็นคำพูดน้อยนิด แต่ก็มีประโยชน์ เ, เ, ปนเป็นประโยชน์เป็นสุภาษิแตแก่บุคคลที่ได้ยินได้ฟังแต่ถ้าว่าพูดไปแล้วทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนแล่ทั้งเดือนทั้งปีพูดไม่รู้จักจบแต่คำพูดเลอานั้นหาสารหาประโยชน์ไม่ได้คำพูดตอา น, นั้นไม่เกิดประโยชน์แก่ผูด้ได้ยินได้ฟังแต่สรุปแล้วก็คือคำพูดได้ก็ตาม ถ้าสั่นมาพูดและผู้ฟังกปยินไปยินได้ฟังแล้วจิตใจสงบจิตใจเข้าใจจะนาไปประพุทธปฏิบัติคำพูดนั้นมีสาระมีประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังแน่นปปร พ, พนนารา ะ, ร ะ, น, ดด น, ะนั่นพวกเราทุกๆท่านศึกษาธรรมะปฏิบัติให้พวกเราศึกษาแล้รฟังแต่จะให้ทุกทุกคำเป็นเครื่องสยบที่เด็ดทุกคำนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้ เพราะฉันเราต้องศึกษาอาศัยการได้ยินได้ฟังฟังครั้งนี้มันจังไม่เข้าใจพบจิงเอกของเราต่อตามอั่างมากพอฟังอีกครั้งที่สองมันยอมรับเออมันยอมรับเอาทําไมฟังข่าวก่อนไม่ได้เลือกแต่ฟังเขานั้นก็คือมันซึง้งเข้ามาในใจมันซึ้งเข้ามาในใจเข้าใจขึ้นมาตัวเองพฟังอีกครั้งที่สาม อ, อืมันตอต้านอีกไม่ได้เรือกอีกพอฟังท้อยเออเข้าใจเนี่แหละ คือเราต้องพยายามฟังศึกษาให้หลายๆครั้งแล้วกระจายตรองด้วยเหตุและผลในเมื่อเราฟังอย่างนั้นแล้วนะอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาในอาศัยการอ่านเราก็เข้าใจปีีละน้อยละน้อยในเมื่อเราเข้าใจละท่านนึงนั่นแหละจิตใจของเราก็มีกฎมีเก็นมีหลักมีฐานใจพองเราจากสงบพุ่งเย็นเป็นสุขจากนั้นก็เมื่อ ได้ยินไน้ังได้ศึกษาแล้วก็นํามาประพฤติธปฏิบัติเลยตัวนี้แต่แต่ศินบืองต้นแล้วก็สมาธิแนวความคิดทางด้านจิตใจจากด้นปัญญาเราทูสังเรื่องสังขารสังขารภายนอกสังขารภายในสังขารภายนอกก็คือการเป็นอยู่ร่างกายสังขารของเราค ว, า ร, าควรจะต้องพูดควรจะทําควรจะพูดควรจะคิดอย่างไรอันนี้ก็คือสังขารภายนอกผมสังขารภายใน ก็คือความนึกคิดปรุงแต่งของจิตใจการนึกคิดปรุงแต่งของจิตใจควรจะนึกคิดอะไรมันจึงจะเป็นธรรมมันจึงจะถูกต้องคนนำรรคำคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่ท่านได้ตรัสไปดีแล้วให้พิจารณาอะไรให้กำหนดอะไรให้ดูทิศไหนให้กระทําอย่างไรไอ้อันนี้เราก็ได้ยินมามา ก, มากต่อมาสรุปว่าก็คือลงลงมาที่ใจนะญยาห น, นี้จากหลักใจ การประทุตะกี้ประทังนี่ตะกายกับใจเทนะ่านั้นถ้ายอมดรอลงมาแล้วแต่ที่พูดให้ฟังมากมายเนะี่ก็คือเเหลี่ยมของจิตเอกที่มันออกไปข้างนอกบางทีมันก็ไม่ยอมรับอั่งที่ว่านั้นพิจรารณาอย่างไหนมันก็ไม่ยอมรับมันชู้นั่นแะแล้วหาเลเหลี่ยมยังไงที่จะเข้าไปตีเมืองมันได้พี่เพราะมันชู้ทังนั้นเราเข้าเราก็เพียนนักหลบหลังเข้ามาเลหาหกที่มุมหลเข้าไปยังไงจึงจะนัดจิตเอกในใจของเราให้กระเด็นออกไปได้ พราะดังสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นเทคนิคก็เป็นปัญญาของแต่ละท่านแต่ละโปนะ่งะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะเข้ามาบวชในพุทธศาสนาศาสนาของพุทธเป็นศาสนาใช้ปัญญาพิจรนารณาไตรตรองเหตุแลผลเพราะด้พวกเราภาวนาสิ่งสมาธิ ป, ปัญญาสิ่ง ร, รักษากายการไปดูร่วมกันการเป็นดูของโลกที่พวกเราฟังทั้งหมดโดยมาเป็นเรื่องของสิ่ง เกิดสมาธิคือแนวความคิดของจิตใจจะทำในใจิตใจยิงจะสงบเป็นหนึ่งและปัญญาก็คือรอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ยึดมันคือมันปล่อยวางที่ใจทางจิตใจว่างจิตใจไม่ยึดมันจิตใจปล่อยวางเมื่อปล่อยวางทำที่มันบริสุทธิ์นั่นแหะจะเกิดขร้มาในจิตใจของเราเกิดมาจุดนั้นเป็นธรรมที่ใสสะอาดเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ เป็นธรรมที่ไม่เกี่ยวเรื่องกับอะไรทั้งหมดเป็นอมตะธาเป็นอมตาธรรมเป็นธรรมที่ไม่เป็นธรรมที่เหนือโลกเป็นธรรมที่เหนือจากสมมุติสมสมุติไม่สามารถที่จะสมมติได้ น, นั่นคืออะไรเพียงตัวทําธรรมธรรมเนปทานเนปท า, านนี่แหละให้พวกเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจถ้าเราแบบดูถึงจุดนี้ธาตุพิจารจุดนี้ได้แล้วจุดตั้ง มันจะเกิดขึ้นมาเองเมื่อเราพิจารณาปล่อยวางถึงจุดที่จะหลุดพ้นแล้วนะเห็นผมเคยพูดให้ฟังเหมือนกับกะทิมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวเนี่ทีแรกเราก็เผาเคี้ยวขึ้นไปผลที่ฉุดมันออกจากกะทิมะพร้าวแล้วมันเป็นน้ำมันนั่นแหละมันออกมาอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันความบริสุทธิ์ุพ้นมันออกมาจากกิเลสมันในแหล่งเดียวกันกลุ่มเดียวกันออกมาจากไใจตรงเดียวกัน แต่ว่ามันไม่ใช่กิเลสมันออกมาแล้วเป็นความบริสุทธิ์ป่าณิยละเอียดเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ถือว่าเป็นธรรมนะพวกเรานะทุกท่านาต้องใจนะในพรรษานี่ก็ผ่านมาแล้วเนีในเดือนครึ่งนะวันนี้ในเดือนครึ่งจะมันสามารถเดินขึ้นวันนี้นเดิ น, น, น, ดนกา้าตัปเลยต่อไปเลยไปเรื่อยๆลเลยหยิบไม่นานออกพรรษาเลยคนในพรรษาเนี่พวกเราได้อะไร ในการตึงพยายามตรวจการดูตัวเองพยายามทันคิดสงบให้ได้นะพยายามตั้งสารพยายามทันคิตสงบให้ได้พยายามเร่งความเพียแต่การงานสิ่งการงานของจะดูไปบ้างดูนั้นดูนี่นไปบ้างแต่ว่าเรื่องหลักจริงๆก็คือเรื่อจิตเรื่องจิตตภาวนาผมไม่ได้มองเห็นอย่างนึงถึงจะไม่ถึงวัดว่ า, าศาสราหรือไม่ถืเป็นโชครางโชคราผมไม่ได้ถือว่าวัดนี้ผมจะอยู่โชว์ฟ้าดินสลายไม่ใช่ ผมยืดหูไปอีกกีปีผมไม่รู้อันนี้หกอายุหกสิบหกปีแล้วหกสิบหกปียืดหยู่ไปอีกเท่าไหร่ไม่มีไม่รู้ไม่รู้จะตายวันไหนไม่รู้เพราะนั้นท่าจะว่าปแปลว่คือยืมมันอยู่อยู่เป็นวันๆแต่อยู่เป็นวันๆๆเราควรจะพยายามทํำดีที่สุดเป็นวันๆไปจนถึงวันสุดท้ายหมดลมหายใจเขาออกเมื่ อ, อไหร่เมื่อนั้นวัดนี้ไม่ใช่วัดของใครเป็นวัดของพระพุทธเจา้า พระผู้าบัญญัติให้มีวัดพระสงฆ์มีวัดเราเป็นพระสงฆ์ศาสยร์พญบทในเมื่อเราเป็นพระสงฆ์ศาสตร์พบทเราก็มีวัดวัดนี้กือคืนนั่นศรัทธาญาติโยมใครเขามาถวายเป็นเดินของพระผู้ดูจามาสร้างเพราะนั้นเราเลยถือว่าเป็นวัดของเรานะเป็นวัดของทุกทุกองค์เป็นวัดของทุกองค์เป็นวัดมาศาสนาทุกองเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมไม่ใช่แหลงเพื่อสะสมที่เลศไม่ใช่แหล่งหาอยู่หากิน แต่ไม่ใช่แหล่งทําความชั่วเป็นแหล่งที่ชงละใจตวดตาดูใจให้ภาวนาตวดตาดูใจให้ได้สําเร็จมรรคผล เ, เด็กสำเร็จมรรคผลต่างคนต่างไปและเข้าสู่นิพพานของใครของเรานิพพานหนงตรัมังสุขธนิพานเป็นสุขอย่างยิงนะเพราะนั้นวัดแห่นี้เป็นสถานที่ตั้ตัวเป็นสถานที่ฝึกซ้องเป็นสถานที่ฝึกสําหรับจิตใจของพวกเราไม่ใช่อย่างอื่นนะ อย่างเช่ว่าการงานอ่างหนึลงเราก็ทำไปแต่อย่าไคิดว่าเราจะยึดมั่นถือมั่นจะไม่ตายไป็นยังไจะไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นคิดแบบโง่ๆนะแต่คิดว่าผมพวกคุณผู้คนจะไม่คิดอย่างนั้นเหมือนกันผมไม่พาคิดผกแค่อยากคิดว่าางนั้นแต่ขนาดผมเป็นหัวหน้าแค่ผมก็ยังไม่คิดติดในวัดเหมือนกัผมยืมมันอยู่ท่านเองอย่ากคิดผมพูดให้ฟังคิดดูให้ดีไปแล้วกันผมยืมมันอยู่เหอนกัไม่รู้ผมจะไปวันไหนเหมือนกัน อตอนนี้ไปชดใชายปที่หมวกลแล้วเป่าเลิกัน